วันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทไม่ต้องไปทำงานทำการมีเวลาว่างที่จะมาวัดซึ่งสมัยนี้เราก็อาจจะถือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระ ก็ได้เพราะสมัยนี้วันหยุดทํางานของเรานั้นมักจะไม่ตรงกับวันพระนั่นเองวันพระบางทีเราก็ต้องไปทํางานทําการเช่นถ้าตรงกับวันจันทร์วันอังคารวันพุธพอรหัสไม่วันศุกร์เราก็ไม่สามารถที่จะมาวัดได้เพราะเราต้องไปทํางานทําการกัน วันพระของเราวันพระของคนยุคใหม่จึงควรจะเปลี่ยนไปเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนกันไม่เหมือนกับในสมัยโบราณที่บ้านเมืองของเราไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกเราก็หยุดทำงานตามาศาสนาของเรา คือเราก็จะหยุดทำงานวันโกนวันพระกันเพื่อที่เราจะได้ไปวัดไปหาธรรมกันแต่มาในยุคปัจจุบันนี้บ้านเมืองมีการติดต่อกับโลกภายนอกโลกภายนอกเขามีวันหยุดทำงานตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนื่องจากเราต้องติดต่อการงานกับโลกภายนอก เราก็เลยต้องหยุดตามเขาหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์เราจึงไม่สามารถมาวัดในวันพระกันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นเราควรที่จะมาปรับวันพระของเราใหม่เอาวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่เราไม่ ได้ทํางานนี้มาเป็นวันพระแทนเพราะวันพระนี้จะเป็นวันไหนก็ได้วันพระนี้ความหมายก็คือเป็นวันที่เราไม่ต้องไปทํางานทําการเป็นวันที่เราจะได้มีเวลามาวัดเพื่อมาหาธรรมกันเพราะธรรมนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่า สิ่งทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้คุณค่าให้คุณประโยชน์ให้ความสุขดับความทุกข์ต่างๆได้เท่ากับพระธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าเรามีทมแล้วเราจะมีความสุขไปตลอดเราจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของพวกเราเลยและเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเหมือนอย่างที่เรากาลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป เราจะอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตสาวกในสวรรค์ชั้นสูงสุดที่เรียกว่าพระนิพพานจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเวลามาหาธรรมกันเราจึงควรจะมีวันพระกันเหมือนกับในอดีตคือเรา เอาวันที่เราหยุดทำงานนี้มาเป็นวันพระมาเข้าวัดกันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาศึกษาพระธรรมคำสอนเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพอปฏิบัติเราก็จะได้รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง ถ้าเราไม่มีวันพระหรือถ้าเรายังถือวันพระเหมือนในอดีตอยู่เราก็จะรอวันที่วันพระตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราถึงจะมาวัดกันได้เพราะถ้าวันพระไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องไปทํางานทําการกันแต่ถ้าเราเปลี่ยนวันพระของเราใหม่ ให้ตรงกับวันหยุดทำงานของเราคือวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็จะได้มาวัดทุกวันพระเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเรามีวันพระกันมีเวลามาวัดกันเพราะถ้าเราไม่มาวัดเราก็จะไม่ได้ทำเพราะธรรมนี้จะมีอยู่ที่วัดเพราะที่วัดจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง ถ้าที่ทำงานนี้จะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงต้องมาวัดกันพอมาวัดเราก็จะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติพอเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลได้รสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง นี่คือเรื่องของวันพระในยุคปัจจุบันเพราะว่าโลกได้เปลี่ยนไปเวลาทำงานทำการเวลาหยุดทำงานทำการได้เปลี่ยนไปนั่นเองเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระกันใหม่ให้มาตรงกับวันหยุดทำงานของพวกเรา แล้วเราจะได้มีเวลามาหาธรรมกันมาหารถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมนี้มีหลายระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็ระดับทานระดับที่สองก็ระดับศีล ร, ระดับที่สามก็สมาธิระดับที่สี่ก็ปัญญานี่คือธรรมะ ชนิดต่างๆที่มีรสเข้มข้นมากขึ้นไปตามลําดับมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับจนถึงความสุขขั้นสูงสุดที่เป็นความสุขเต็มร้อยที่เรียกว่าบัลมะสุขปาลมังสุขขังเราจะได้ความสุขเหล่านี้จากการที่เราปฏิบัติ ทำขั้นต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราปฏิบัติกันเราจึงต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติก่อนว่าพระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราปฏิบัติอะไรบ้างให้ทำอะไรบ้างขั้นต้นขั้นที่หนึ่งท่านก็สอนให้เราทำทานกันทำทานก็คือแบ่งปันข้าวของเงินทอง ที่เรามีเกินกว่าความจำเป็นที่เราไม่ต้องใช้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ให้เอาเงินทองนี้มาทำบุญทำทานจะได้รถแห่งธรรมที่ดีกว่ารถจากสิ่งต่างๆเงินทองก้อนหนึ่งนี้ เราสามารถเลือกไปใช้ได้สองทางเราจะเอาไปซื้อข้าวของพุ่มพวอยต่างๆหรือไปเที่ยวก็ได้เราก็จะได้ความสุขแบบหนึง่งเราเงินก้อนเดียวกันนี้มาทำบุญทำทานเราก็จะได้ความสุขอีกแบบหนึง่งได้ประโยชน์อีกแบบหนึง่งถ้าเราไม่พิ จ, จารณา หรือถ้าไม่มีใครมาบอกเรามาเปรียบเทียบถึงคุณเรือประโยชน์จากการที่ใช้เงินก้อนนี้ในสองทางนี้ว่ามันต่างกันอย่างไรเราก็อาจจะไม่รู้แต่ถ้าได้มีการอธิบายให้ฟังว่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปซื้อของที่ไม่จำเป็น หรือเอาไปเที่ยวกันเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปเดินตามห้างสรรพสินค้าซื้อของที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้ อ, อเช่นเสื้อผ้าเราอาจจะมีมากพอแล้วแต่เรายังเห็นว่าสวยงามอยากจะได้ก็อยากจะซื้อมา เรา อ, อยากจะไปดูภาพยนตร์ดูละครหรือไปซื้อของประดับต่างๆซื้ อ, เ, อเพชรซื้อสร้อยซื้อลับซื้ออะไรต่างๆมาความสุขที่เราได้จากการซื้อของเหล่านี้จะต่างกับความสุขที่เราจะได้จากการไปทําบุญทําทานความสุขที่เราได้จากการซื้อของฟุ่มเฟือย หรือไปเที่ยวกันนี้จะเป็นความสุขเดียวเดียวเวลาที่เราไปเที่ยวกันไปซื้อของที่เราอยากได้กันเราก็มีความสุขกันแต่พอเรากลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็จางหายไปหมดแล้วก็เงินที่เราใช้ไปก็หมดไป แต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทําบุญทําทานนี้เราจะได้ความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขใจความอิ่มใจความอิ่มเอิบใจความพอใจและทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทําเราก็ยังเกิดความสุขใจอิ่มเอิบใจไม่เหมือนกับเราคิดถึงสถานที่เราไปท่องเที่ยวหรือของที่เราไปซื้อมา พอคิดแล้วทาแทนที่จะอิ่มใจสุขใจกับเกิดเกิดความหิวโหยขึ้นมาเกิดความอยากไปเที่ยวใหม่อยากจะซื้อของใหม่แทนที่จะมีความอิ่มใจสุขใจกับเกิดความหิวขึ้นมาเกิดความอยากอยากจะไปเที่ยวอีกอยากจะไปซื้อของอีกแล้ว การเอาเงินไปซื้อข้าวของสิ่งที่เราได้มาก็คือข้าวของซึ่งเราบางทีก็ไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วก็เอามาวางไว้เฉยๆปล่อยไว้นานๆเข้ามันก็เก่าแล้วเดี๋ยวมันก็เสียมันก็หมดสภาพไปอต่เงินที่เราเอาไปทําบุญทําทานนี้เราไม่ได้สิ่งของกลับมาแต่เราได้บุญกลับมา ที่เป็นเหมือนกับเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารพบหน้าชาติหน้าเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่เราจะมีเงินที่เราฝากไว้ในการทำบุญนี้รอเราอยู่เรากลับมาเราจะได้เงินมีเงินมากกว่าที่เรามีในในพบนี้ชาตินี้เพราะเป็นเหมือนกับการเอาไปฝากไว้ในธนาคาร มีทั้งต้นและมีทั้งดอกเพิ่มขึ้นอีกโดยถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับการเอาเมล็ดข้าวไปปลูกเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งจะได้ต้นข้าวต้นหนึ่งแต่เมื่อต้นข้าวต้นหนึ่งออกรวงมาจะได้เมล็ดข้าวอีกหลายสิบรลสามหลายสิบเมล็ดด้วยกันการทําบุญก็เป็นเหมือนกับการปลูกข้าวทําบุญบาทหนึ่งนี้ จะได้กลับมาเป็นร้อยเป็น10บเหมือนกลับมาเม็ดข้าวมเมล็ดหนึ่งเมื่อเราปลูกไปได้ต้นข้าวมาต้นหนึ่งพอต้นข้าวออ ก, ออกดอกออกรวงขึ้นมาออกข้าวขึ้นมาก็ได้หลายสิบเมล็ดด้วยกันนี่คือการใช้เงินที่ไม่สูญเปล่าใช้เงินแล้วจะได้กลับคืนมาเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่ การที่พวกเรามาเกิดแล้วมีฐานะ <_ d ata> การเงิน <_ d ata> การทองต่างกันก็เป็นเพราะว่าเรามาได้ทำบุญในอดีตมามากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองเราทำบุญมากเรากลับมาเกิดเราก็จะกลับมาเกิดเป็นลูกของคนร่ำรวยกันกลับมาเกิดเป็นลูกของคนมีเงินมีทองถ้าเราไม่ได้ทำบุญทาทาน เรากลับมาก็จะกลับมาเกิดเป็นลูกของคนยากจนนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับต่างกันจากการใช้เงินก้อนเดียวกันเอาเงินไปเที่ยวเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นกับเอาเงินนี้ไปทําบุญนี่ประโยชน์ที่จะได้รับไม่เหมือนกัน เอาไปเที่ยวก็สุขขณะที่เที่ยวกลับมาความสุขนั้นก็หมดไปแล้วถ้ากลับมาเกิดใหม่ในพบหน้าชาติหน้าก็ไม่มีเงินทองรอรับเราเพราะเราไม่ได้เอาไปทําบุญแต่ถ้าเราเอาไปทําบุญกลับมาจากทําบุญเรายังมีความสุขใจอิ่มเอิบใจจากการที่เราได้ทําบุญแล้วถ้าวันไหนเราคิดถึงบุญที่เราได้ทํา บุญนั้นก็ยังทำให้เขาให้เกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจอยู่แล้วถ้าเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมีเงินทองที่เราทำบุญนี้รอเราอยู่อย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวชสันดรพระพุทธเจ้าก็ทรงทาบุญอย่างเต็มที่มีอะไรใครต้องการอะไรใครขออะไร ถ้าให้ได้ก็ให้เลยเพระองค์แม่ห่วงท ร, รยบสมบัติเข้าของเงินทองไม่เอาเงินทองไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆพอพ่อองตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ก่อนอันนี้สงของการทำบุญก็จะทำให้ผู้ทำบนนุญนี้ตายไปได้ไปสวรรค์ก่อนแล้วพอกลับลงมาจากสวรรค์ ก็จะได้กลับมาเกิดในภพของมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมอย่างเจ้าชายอย่างพระเวชสันดรพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชโอรสมีทรัพย์สมบัติมากมายรอรับอยู่โดยไม่ต้องไปหามาเลยเพราะอำนาจของบุญที่ได้ทำไว้ในสมัยเป็นพระเวชสันดรเลยทาให้มีทรัพย์ รอรับอยู่เวลาที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เ ป, เป็นพระราชโอรสของพระกษัตริย์ของกษัตริย์มีประสาทสามฤดูมีบริษัทบริวารคอยอำนวยความสุขคอยอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบนี่คือตัวอย่างของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงในระดับฐาน ทำบุญทำทานกับไปเอาเงินไปเที่ยวนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าเราพิจารณาการเอาเงินทองไปเที่ยวก็เป็นเหมือนกับการเอาเงินไปซื้อยาเสพติดดีๆนี้เองเพราะถ้าเที่ยวแล้วมันก็จะติดมันก็อยากจะเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้เที่ยวก็จะเดือดร้อนจะทุกข์แต่ถ้าคนที่เอาเงินไปทําบุญนี้ ก็จะไม่ติดเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆได้ไปทำบุญที่วัดเสร็จก็กลับมาอยู่บ้านได้ข่าวหน้าถ้าไม่มีเงินไปทำบุญก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ติดการทำบุญถ้าทำได้ก็ทำไม่ถ้าทำไม่ได้ก็อยู่บ้านเฉยๆได้เพราะไม่ติดเที่ยวเพราะไม่ได้เอาเงินไปใช้กับการไปเที่ยวก็เลยไม่ติดการไปเที่ยว แต่ถ้าเราเอาเงินไปใช้กับการไปเที่ยวมันก็จะติดไปเที่ยวที่นั่นแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าก็อยากจะไปเที่ยวที่นู่นต่อโอกาสหน้าก็จะไปที่นั่นต่อไปเรื่อยๆต่อให้ไปกี่สิบกี่ร้อยแห่งกลับมาก็เหมือนเดิมกลับมาก็ยังจะมีความอยากไปเที่ยวอีกแล้วก็ไม่มีเงินเอาไป สะสมเก็บไว้ในภพหน้าชาติหน้าชาติหน้ากลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดยากจนนี่คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงในระดับของการทำทานทำบุญระดับที่สองก็คือระดับศีลระหว่างรักษาศีลกับไม่รักษาศีล น, นี่ความรู้สึกอย่างไหนจะดีกว่ากัน การมีศีลการไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดิอบุซายาเมากับการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมสุซายามาอย่างไหนจะดีกว่ากันเวลาฆ่าคนกับเวลาที่เราไม่ฆ่าคนีนใจของเราเป็นอย่างไรต่างกันไหมใจสบายหรือไม่สบาย ถ้าเราไม่ได้ฆ่าใครเราก็จะรู้สึกเฉยๆถ้าเราไปฆ่าใครเขานี่เราจะรู้สึกไม่สบาย iy. เราไปรักทรัพย์ของคนอื่นกับการไม่ได้ไปรักทรพัพย์นี่อย่างไหนจะดีกว่ากันความรู้สึกอย่างไหนจะดีกว่ากันอย่างไหนจะสุขกว่ากันอย่างไหนจะสบายกว่ากันให้เราเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของธรรม เห็นคุณค่าของศีลธรรมเราก็อยากรักษาศีลอ่ราเรารักษาศีลแล้วจะทำให้ใจเราสบายใจเราสงบใจเราไม่วิตกไม่หวาดกลัวคนที่ไม่มีศีลนี่ถ้าไปอยู่ที่ไหนเงียบเงียบเปี่ยวเปียนี่จะกลัวขึ้นมาความกลัวกลัวว่าจะถูกบาปกรรมที่ได้ทำไว้นีมา ลงโทษนะแต่คนที่ไม่ได้ทําบาปนี้จะไม่รู้มีความไม่มีความหวาดกลัวอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านไปอยู่ทุดงในป่านในเขานี่ท่านไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวกับอะไรเพราะท่านไม่ได้ทําบาปท่านมีศีลใจของท่านก็เลยรู้สึกเฉยเฉยแต่คนที่ทําบาปนี้ถ้าไปอยู่ในป่านในเขาอยู่ที่เปลี่ยวนี้ยจะ เกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาหวาดระแวงวิตกกังวลนี่ก็คือลดแห่งธรรมอีกระดับหนึ่งคือระดับของศีลแธรรมคนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลนี่ใครจะสบายใจกว่ากันคนที่มีศีลนี่ย่อมมีความสบายใจกว่ากันเพราะไม่มีแผลในใจ คนที่ไม่มีสีนี้เหมือนกับคนที่มีแผลในใจ <c oughs> หรือที่เรียกตามภาษาชาวบ้านว่าเป็นเหมือนวัวสันหนังหวะมันมีแผลอยู่พออะไรมามามาแตะมาต้องหน่อยมันก็เจ็บนะแต่ถ้าวัวไม่มีแผลนี้มาแรงอะไรจะมาเกาะนกจะมาเกาะก็จะไม่รู้สึกเจ็บนะใจของพวกเราก็เหมือนกันเวลาทำบาปนี้เหมือนกับการ ปีดแผลไว้ในใจของเราแล้วเวลาอะไรมาสัมผัสกับแผลนั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเกิดใครพูดถึงเรื่องที่เราไปทำมาทั้งๆ ท, ท, ที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนทําเราก็ตกใจนะเช่นเราไปขโมยข้าวของเงินทองแล้วเขาก็มาพูดว่าใครไม่รู้มาขโมยเงินขโมยทองเนี่ยพอพูดแค่นี้เราก็จะไม่สบายใจนะ แต่ถ้าเราไม่ได้ไปขโมยเงินของใครใครก็จะพูดอย่างไรเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจมามามาสอบสวนเราก็จะไม่ตกใจเราจะไม่วิตกเขาถามอะไรเราก็สามารถพูดตอบไปได้อย่างมั่นใจอย่างไม่มีความหวั่นไหวแต่ถ้าเราไปทําบาปแล้วเวลาถูกเขาสอบสวนนี่ เราจะตอบเขายากจะต้องทำบาปอีกต้องโกหกเพิ่มขึ้นไปอีกยิ่งทำให้เรามีความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบลดแห่งทำกับลดของการของอย่างอื่นลดของการทำบาปกับลดของการไม่ทำบาปอย่างไหนจะดีกว่ากัน รักษาศีลห้ากับการไม่รักษาศีลห้านี้อย่างไหนจะดีกว่ากันดื่มสุรากับการไม่ดื่มสุรานี้อย่างไหนจะดีกว่ากันเวลาดื่มแล้วเป็นยังไงก็มึนเมาไม่มีสติประครับประคองการกระทาของตนก็มักจะไปทำสิ่งที่เสียหายได้หรือไปพูดในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดได้ พูดจาหยาบคายพูดจาทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นพูดจาหาเรื่องเพราะเวลาเมาแล้วมันไม่มีอะไรคอยควบคุมอารมณ์นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดออกไปแล้วถ้าไปขับรถขับรานี้ก็อาจจะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุอย่างที่เขาบอกว่าเมาแล้วขับ พอเมาแล้วไปขับรถก็จะไม่รู้ความเร็วของรถไม่รู้ว่าจะาจะควบคุมรถได้หรือไม่เวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินปรากฏขึ้นมาแล้วก็มักจะพบกับอุบัติเหตุทำให้รถเสียหายหรือผู้ที่อยู่ในรถเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปได้นี่ก็ ผลที่เกิดจากการดื่มสุรายาเมากับการไม่ดื่มสุรายาเมาคนที่ไม่ดื่มสุราขับรถไปไหนก็ไปได้อย่างปลอดภัยคนที่ดื่มสุราแล้วก็จะขับรถแบบไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีสติที่จะคอยควบคุมการขับรถของตนนั่นเองนอกจากนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางร่างกาย คนที่ดื่มสุราบ่อยๆก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้นมาจะมีโรคเกี่ยวกับตับกับไตโรคตับแข็งที่เกิดจากการดื่มสุราแล้วก็เป็นมีเป็นเป็นก็มีมีเสี่ยงต่อโรคอื่นเป็นเหตุที่ทำให้มีเป็นเกิดโรคอย่างอื่นขึ้นได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เสพสุรายาเมา้า เรายัางต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อสุรายาเมามาดื่มคนที่ไม่ดื่มนี้ก็ไม่เสียเงินเสียทองไม่เสียสติไม่เสียสุขภาพไม่ไปทำร้ายผู้อื่นไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี่ก็คือลดแห่งธรรมในระดับของศีลธรรมคือศีลห้า คนที่มีศีลห้ากับคนไม่มีศีลห้านี้คนที่มีศีลห้าย่อมมีความสุขมากกว่ามีความสบายใจมากกว่ามีความปลอดภัยมากกว่านั่นเองแล้วพอเราขยับขึ้นอีกระดับหนึ่งจากศีลห้าไปสู่ศีลแปดคนที่มีศีลแปกก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าคนที่มีศีลห้า เคนที่มีศีลแปดนี้ก็จะอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวได้เอไม่ต้องร่วมหลับนอนกับแฟนก็ได้เอคนที่มีศีลห้านี้ยังอยู่คนเดียวไม่ได้ยังต้องร่วมหลับนอนกับแฟนอยู่อคนที่ถือศีลแปดนี้จะละเว้นการหลับนอนกับคู่ครองของตนเอแล้วก็ใจอดอาหารเย็นได้เออ คนไม่ต้องกินอาหารเย็นก็อยู่ได้แต่คนที่ถือศีลห้านี้จะอดอาหารเย็นไม่ไหวพอไม่ได้กินอาหารเย็นก็จะเดือดร้อนแต่คนที่ถือศีลแปได้ก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาไม่มีอาหารเย็นรับประทานคนที่ถือศีลแปดนี้ไม่ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปงานเลี้ยงต่างๆไม่ต้องไปดูมห์ลสพ ไปดูร้องลำทำเพลงอะไรต่างๆไม่ต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยๆงามๆไม่ต้องแต่งหน้าตาปากทำเเผาทำผมก็มีความสุขได้แต่คนที่ถือศีลแปดไม่ได้นี้จะต้องออกไปเที่ยวกันไปดูหนังดูละครไปร้องํำทำเพลงกันต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผาทาผม อะไรต่างๆเพื่อให้มีความรู้สึกมีความสุขแต่มันก็เป็นความสุขเดียวๆพอกลับมาบ้านก็ต้องล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบท้ า, าก็การแต่งเนื้อแต่งตัวก็หมดไปแล้วถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวในโอกาสต่อไปก็รู้สึกเหงา ว, าว้าวเอวอยู่บ้านไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่คนเดียวไม่ได้ แต่คนที่ถือศีลแปดที่อยู่คนเดียวได้อย่างสบายไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวก็ได้ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆใส่ก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ทำเาเผวทำผมก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรไปไหนมาไหนก็ไปอย่างสบายใจไม่ต้องแต่งหน้าทาปากไม่ต้องทำเาเผวทำผมไม่ต้องหาเสื้อผ้าสวยๆงามๆไว้สวมใส่ ใส่เสื้อผ้าพอแบบเรียบง่ายได้เพื่อปกปิดร่างกายก็พอนี่คื อ, อความแตกต่างของผู้ที่มีศีลแปดกับผู้ที่ไม่มีศีลแปดผู้ที่มีศีลแปดนี้จะมีความล่มเย็นเป็นสุขสบาย อ, อกสบายใจมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ถือศีลแปดอยู่คนเดียวนอนคนเดียวได้ อดอาหารเย็นได้ไม่ได้ดูหนังดูละครไม่ได้ไปเที่ยวไปงานเลี้ยงต่างๆได้ไม่รู้สึกเสียดายเสียใจคนที่ไม่ได้ไปงานเลี้ยงนี้บางทีก็เสียใจเวลามีคนเขาจัดงานเลี้ยงแล้วเขาไม่เชิญเราไปเราก็จะรู้สึกน้อยใจเสียใจถ้าเราอยากเร า, เราอยากจะไป แต่ถ้าเราถือศีลแปดนี้เราก็ไม่ไปเขาเชิญเราก็ไม่ไปอยู่แล้วเหตุั้นเขาจะเชิญเราหรือไม่เชิญเราเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรงานวันเกิดของเราเราก็ไม่ต้องจัดก็ได้เี่ยจัดไปทําไมจัดไปเสียเงินต่อปล่าวันเกิดก็เป็นวันอีกวันหนึ่งมันก็ไม่ต่างกับเมื่อวานนี้หรือวันพวกนี้เราเพียงแต่มาสมมุติว่ามันเป็นวันเกิดของเรา เราจึงต้องจัดงงจัดงานกันแต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็ไม่ต้องจัดงานกันสบายไม่เดือดร้อนไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเตรียมข้าวเตรียมของวุ่นวายกับการไปเชิญแขกคนนั้นคนนี้มางานของเราแล้วถ้าเขาไม่มาเราก็เสียใจอีกนี่คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งฝวง การมีศีลแปดกับการไม่ถือศีลแปดนี่จะมีผลต่างกันเราจะอยู่อย่างสบายมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาบำรุงบำเรอเราจะอยู่เฉยๆได้แล้วจะทำให้เรามีเวลาที่เราจะไม่มีถ้าเราไม่ถือศีลแปดคือมีเวลาว่างที่เราจะได้มาปฏิบัติ ธรรมที่สูงกว่าศีลก็คือการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะไม่มีเวลาเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกันแทนแต่พอเราถือศีลแปดเราก็ไม่สามารถไปทำกิจกรรมอื่นๆได้เราก็จะมีเวลาว่างที่จะมาเรินสติมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิตั้งแต่ หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราหลังจากที่เรารับประทานอาหารเที่ยงวันเสร็จแล้วเราก็ไม่มีอะไรต้องทำอีกแล้วเรื่องของอาหารเย็นก็ตัดไปไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารเย็นเราก็จะมีเวลาเดินจบกรมนั่งสมาธิตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนคือประมาณสี่ทุ่มนเราก็จะได้สิบชั่วโมงไว้ให้กับการ ป, ปฏิบัติสติจเจริญสติ เพื่อให้เพื่อให้นั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบนีถ้าไม่มีสติเวลานั่งสมาธิใจจะไม่สงบใจจะคิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามีสตินี้เราจะหยุดความคิดได้แล้วพอเวลาเรานั่งสมาธิไม่คิดอะไรจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอเราได้พบกับความสงบเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านัตสันติปรางสุขขังไม่มีสุขันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้ก็เกิดจากการที่เราสามารถรักษาสิ้นแปดได้สามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องคือตั้งแต่เที่ยงไปนี้เราก็ควบคุมความคิดเลยบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ อย่าไปคิดถึงใครถึงคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้เฝ้าดูการเค IL ลื่อนไหวของร่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็เฝ้าดูการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องของร่างกายกำลังเดินก็คิดอยู่กับเรื่องของการเดินกำลังนั่งก็คิดถึงเรื่องของการนั่ง กำลังรับประทานอาหารก็ให้คิดอยู่กับเรื่องของการรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำก็ให้คิดถึงเรื่องการอาบน้ำให้อยู่กับเรื่องที่ร่างกายกำลังทำอยู่ในขณะนั้นใจก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้ใจก็จะมีสติหยุดความคิดได้พอเวลานั่งสมาธินั่งหลับตาถ้าจะดูลมหายใจใจก็จะอยู่กับการดูลมหายใจไปอย่างเดียว จะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ฮะถ้าอยู่กับลมหายใจไปได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้หรือถ้าบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกันล้าเราจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากสมาธิ ความสุขนี้จะเป็นความสุขที่ทำให้ใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาจะไม่มีความรักความชางังความกลัวความหลงใจจะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสอะไรนี้จะไม่รักไม่ชงังไม่กลัวไม่หลงถ้ามีอุเบกขานี่คือสิ่งที่เราต้องการก็คืออุเบกขาเพราะอุเบกขานี้จะทาให้ใจเรานิ่ง จะทำให้ใจเราสงบจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีโอเบขาพอเราเห็นอะไรสัมผัสอะไรนี่ความรักชังกลัวหลงจะขึ้นมาทันทีเห็นอะไรถ้าชอบก็จะรักเห็นอะไรที่ไม่ชอบก็จะชังรักก็ทุกข์แบบหนึง่งชังก็ทุกข์แบบหนึง่งเพราะรักก็อยากจะให้ของที่เรารักอยู่กับเรา ไปเรื่อยๆพอเขาไม่อยู่เราก็ทุกข์ชงังพอชังอะไรก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอมันไม่หายไปก็ทุกข์อีกถ้าต้องอยู่กับของที่เราชังถ้าเจออะไรที่เรากลัวนี้เราก็จะกลัวกันเรากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันแต่ถ้าเรามีอุเบกขานี้เราเจออะไรเราจะเฉยๆนี่คือประโยชน์ของการมีสมาธิ แต่อุเบกขานี้จะอยู่ได้ไม่นานออกจากสมาธิมาเดี๋ยวมันก็จางไปเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นพอเราออกมาจากตู้เย็นตั้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวความเย็นของน้ําก็จะหายไปถ้าเราอยากจะให้มันไม่หายเราก็ต้องเอากลับเข้าไปในตู้เย็นสําหรับน้ําแต่สํำนับใจนี้ถ้าเราอยากจะรักษาอุเบกขาให้อยู่ต่อไป โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้ก็เป็นธรรมระดับสูงสุดระดับที่เราจะเอามาใช้ในการรักษาอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิมาพอใจเเคลื่อนออกจากอุเบกขาไปรักไปชงังไปกลัวไปหลงก็ให้ใช้ปัญญามาดึงกลับให้เข้าไปในอุเบกขาถ้ามีปัญญาใจจะกลับเข้าอุเบกขาได้ เช่นไปรักอะไรก็ให้มองว่าสิ่งที่เรารักนี้เดี๋ยวก็ต้องจากเราไปได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปรักแฟนไปเจอแฟนก็รักแฟนแต่เดี๋ยวแฟนก็ต้องจากกันเรากับแฟนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดเราก็ต้องแก่เจ็บตายเขาก็ต้องแก่เจ็บตายพอคิดอย่างนี้เราก็ว่าอย่าไปรักเขาดีกว่าเราอยู่กับอุเบกขาอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดีกว่า เวลาชางอะไรก็ลองพิจารณาว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปขับไล่สายส่งเขาไม่ได้เขาจะอยู่ก็ต้องปล่อยเขาอยู่ไปเพราะว่าเขาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบบงคุมบังคับได้บางทีเราต้องไปเจอคนที่เราไม่ชอบต้องอยู่กับเขาต้องทำอะไรกับเขาถ้าเราช่างเราก็จะทุกข์ แต่ถ้าเราทำใจไม่ชังทำใจเฉยๆเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาอย่าไปอยากให้เขาไปก็แล้วกันอย่าไปอยากให้เขาไม่อยู่กับเราเราก็จะไม่ทุกข์กับการอยู่กับเขาเวลาเราเจออะไรทําให้เรากลัวเราก็พิจารณาว่าร่างกายของเราไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปไม่ว่าจะเจออะไรหรือไม่เจออะไร วันหนึ่งมันก็ต้องตายอยู่ดีเห็นถ้าไปเจออะไรแล้วกลัวก็ให้พิจารณาว่าอย่างมากก็แค่ตายคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันมันก็จะหายกลัวถ้ายอมตายแล้วมันก็จะหายกลัวถ้ามันหลงอะไรก็ใช้ปัญญามาสอนความหลงก็คือไปหลงว่าสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง สิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรานั่นเองก็ต้องใช้ปัญญาที่พระเจา้าโดยสองคนพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราไปคิดว่ามันเที่ยงแสดงว่าเราหลงได้อะไรมาแล้วเราอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่กับเรานละจะดีกับเราเหมือนตั้งแต่วันที่เราได้มาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็หมดไป ให้คิดความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรของสิ่งต่างๆถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดไปอยากให้เขาเที่ยงแท้แน่นอนพอเราไม่มีความอยากให้เขาเที่ยงแท้แน่นอนเราก็จะไม่ทุกเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาเสื่อมไปเวลาที่เขาจากเราไปนี่คือปัญญาทาขั้นสูงสุด ถ้ามีปัญญาแล้วจะทำให้ใจเหล่านี้มีอุเบกขามีความสงบมีความสุขได้ตลอดเวลาไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจของเราจะสามารถควบคุมความอยากต่างๆที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราที่จะมาคอยทําลายอุเบกขาของใจไปถ้ามีปัญญาแล้วจะสามารถรักษาอุเบกขาไว้ได้อย่างถ้าวอน ใจก็จะสงบไปเรื่อยๆใจที่สงบอย่างท้าววอนี้ก็เรียกว่านิพานนี่นิพานไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็เป็นใจของพวกเราที่ตอนนี้ยังวุ่นวายด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยความอยากต่างๆพอเราเอาทานเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญามาชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปใจของเราก็จะ กลายเป็นนิพพานขึ้นมานิพพานนี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพของจิตที่มีความสงบที่ไม่มีความวุ่นวายไม่มีความทุกข์ต่างๆเหมือนกับที่เรากําลังมีกันอยู่ในขณะนี้ใจเราวุ่นวายกันทุกข์กันก็เพราะความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้เองที่เราโลภเราโกรธเราหลงเราวุ่นวาย เราอยากกันก็เพราะเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานั่นเองถ้าเรามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะสามารถกาจัดความวุ่นวายใจต่างๆความทุกข์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้แล้วใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาไปตลอดเวลา จะสงบไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่คือผลที่เราจะได้รับลดแห่งธรรมที่เราจะได้รับก็คืออุบเบคขา น, นี่เองคือความสงบหรือบรมมสุสุหรือพระนิพานนี่อันนี้ก็เป็นตัวเดียวกันเพียงแต่มีคุณลักษณะที่เราสามารถกล่าวถึงได้ ของใจดวงนั้นของใจดวงที่มีทานศีลสมาธิปัญญาจะเป็นใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆจะเป็นใจที่ปราศจากความวุ่นวายความทุกข์ต่างๆจะเป็นใจที่มีแต่ความสงบมีอุเบกขาปราศจากความรักชังกลัวหลงอันนี้เป็นสิ่งที่ใจของพวกเราทุกคนสามารถเป็นได้ พอะใจของเราก็เป็นเหมือนกับคนไข้นี่เองพวกเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาลพอหมอให้ยามารับประทานเนื้อรักษาด้วยวิธีการต่างๆเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปใจของเราตอนนี้ก็ไม่สบายเหมือนคนไม่สบายทุกข์วุ่นวายใจกับความโลภความโกรธความหล ง, ลงกับความอยากต่างๆ พอไปพบหมอที่เก่งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มียาเรามารักษาให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เรานั่งสมาธิให้เราจเจริญปัญญากันเดี๋ยวเราก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บใจของเราก็จะกลับมาเป็นปกติจะเป็นใจที่ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับอะไรจะเป็นใจที่มีความสุขมีความอิ่มอยู่ตลอดเวลา นี่คือรถแห่งธรรมเนี่ยใจที่สงบนี้แหละคือรถแห่งธรรมอใจที่เป็นนิพพานนี่คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเพราะถ้าใจได้ถึงนิพพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีเหตุที่จะดึงใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหตุที่ทําให้ใจต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เอง แต่ถ้าเรามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกําจัดความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆให้หมดไปได้พอไม่มีความโลภโกรธหลงความอยากแล้วก็ไม่มีตัวที่จะดึงใจให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้อีกต่อไปใจก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรเพราะทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้าตาบใดยังมีการเกิดอยู่ตาบนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่แม้ว่าจะเกิดอยู่ในภพไหนก็ตามภพของพรหมภพของเทพก็ยังมีความเสื่อมได้เกิดไปเป็นพรหมแล้วเดี๋ยวก็เสือเเเเส่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์จากมนุษย์ถ้าไปทําบาป ก, ก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดชานไปเป็นเปรตไปตกนรกต่อไปได้ะ พอหมดกรรมก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาโลภมาโกรธมาหลงใหม่มาอยากใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือการกระทำที่เราได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่า การยุติของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ทำอย่างไรการหยุดความทุกข์ต่างๆหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากนี้ทำไปทำไมเราจะไม่รู้เราจะคิดว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นธรรมชาติของเราเราจะมองว่าคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี้เป็นคนผิดปกติคนที่ไม่มีความอยากนี้เป็นคนผิดปกติ เพราะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีความอยากเหมือนกันมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันก็จะไม่มีใครคิดที่จะมาชำระความโลภความโกรธความหลงชำระความอยากต่างๆก็จะมีแต่สนับสนุนความโลภความโกรธความหลงสนับสนุนความอยากต่างๆอยากจะได้อะไรก็ซื้อมาอยากจะไปเที่ยวก็ไปเอ พอทำตามความอยากแล้วมันก็เพิ่มความอยากให้เกิดขึ้นมาต่อต่ออายุของความอยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอตายไปความอยากนี้ก็พาเราไปกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่จนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือได้พบกับพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้ยินเรื่องของลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วเราน้อมเอารถแห่งธรรมนี้เข้ามาสู่ใจของเราได้เราก็จะสามารถกําจัดเออ่เหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากใจได้เรถแห่งธรรมนี้จะมากําจัดรถของกิเลสตัณหาของความโลภความโกรธความหลง รสของความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจเราก็จะอยู่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงได้ปราศจากความอยากได้นั่นดีกว่าอยู่แบบมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากเซะอีกเพราะอยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายอยู่อย่างอิ่มอยู่อย่างพอแตถ้าอยู่กับความโลภความโกรธความหลงอยู่กับความอยากนี้จะอยู่กับความหิวโหย อยากอยู่เรื่อยๆอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากกินนั่นอยากกินนี่อยากดูนั่นอยากดูนี่ไปกินเท่าไหร่ดูเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอนี่คือรถของกิเลสกับรถแห่งธรรมนี่ต่างกันพระพุทธเจา้าทรงส่งตัดว่ารถแห่งธรรมชนะรถทางปวงและการที่พวกเราจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมได้เราก็ต้องมีเวลาเข้ามาหาธรรมกันเช่นวันหยุดการทํางานของเรา เราควรจะถือว่าเป็นวันพระวันเข้าวัดวันเข้าหาธรรมวันมาศึกษาแล้วมาปฏิบัติธรรมกันเพราะถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้ได้แต่วันนี้พวกเราก็มีเวลาว่างกันไม่ต้องทางานกันเราก็มาวัดกันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาฟังวิธีสร้างรถแห่งธรรมกัน แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติวันนี้ก็ได้อย่างน้อยก็ได้ทำข้อแรกแล้วก็เกิดได้ทำทานแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันก็เอามาทาบุญทาทานกันอันนี้ก็ทำให้เราได้ลดแห่งธรรมขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วการต่อไปเราก็ไปรักษาศีลห้ากันถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ลองรักษาศีลแปดในวันหยุดทางาน แทนที่จะไปเที่ยวกันเราก็มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกันมาถือศิลป์แปดเราจะได้มีเวลามาเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิกันทําใจให้สงบทําใจให้เป็นอุเบกขาเพื่อเราจะได้สัมผัสลดแห่งธรรมสัมผัสความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสงบแล้วพอเราออกจากความสงบของสมาธิเราก็ใช้ปัญญา คอยรักษาความสงบนี้ด้วยการคอยกำจัดความโลภความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบความรักความชังต่างๆเราก็ใช้ปัญญามาแก้พอเราใช้ปัญญาแก้ต่อไปรักชังก็ไม่มีใน ใ, นใจความกลัวความหลงก็จะไม่มีใน ใ, นใจใจก็จะสงบเป็นอุบเบกขาไปตลอดใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็จากการที่พวกท่านทั้งหลายถือวันหยุดทางานนี้เป็นวันมาวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันก็อขอให้พยายามทำกันไปเรื่อยๆและทำกันให้มากขึ้นทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วรับรองได้ว่าผลแหงคือผลก็คือลดแห่งธรรมนี้ก็จะปรากฏมีมากขึ้นไปเรื่อยๆในจิตใน ใ, นใจจนต่อไปจะเต็มไป เป็นไปในหัวใจเลยไม่มีรถอย่างอื่นจะมีแต่รถแห่งธรรมเพียงอย่างเดียวการจะแดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นท่วงถามต่อปัญหาธรรมท่านที่มีคำถาม อยากจะถามเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดถามตอบปัญหาถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือเลือกขึ้นมาที่ศาลานี้มาถามผ่านทางไมโครโฟนถ้ายังไม่มีใครก็จะให้พิธีกร น, นาเอาคำถามทางบ้านมาถามก่อน อ่ถามว่านามสกันหลวงพ่อค่ะหนูอยากถ้าทราบว่าหนูเจอเรื่องราวที่กระทบที่คนทําให้หนูรู้สึกทุกๆครั้งเสียหายแล้วหนูไม่กระทําการด้วยกายด้วยวาจาหนูไม่ตอบโต้ด้วยการให้อภัยแต่ทุกครั้งที่หนูทําอย่างนั้นกลับเป็นว่าใจหนูเจ็บเองเพราะ เป็นพ่ออะไรเจ้าคะหนูอยากได้คำชีน้แนะจากพระอาจารย์เจ้าคะ่พาะพอยังไม่ให้อภัยจริงไงกิเลสยังไม่ยอมเรายอมแต่กิเลสมยังไม่ยอมให้อภยัยมันก็เลยกีดใจเราก็ให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ยอมเองคื อ, ค, อคือหนูไม่ไปด่าเขาไม่ตอบเขาแต่ใจหนูต้องทํายังไงเจ้าคะต้องนั่งก็พุโทโธพุโทโธไปถ้ามันยังไม่สบายใจก็แสดงว่ากิเลสมันยังไม่ยอม มันยังทําให้เราไม่สบายใจเราก็พุทโธพุทโธไปหยุดกิเลสพอเรามีพุทโธต่อไปกิเลสมันก็จะหยุดพอหยุดแล้วใจก็จะสบายเป็นอุเบกขาคือทุกครั้งถ้าเกิดหนูเจอเหตุการณ์อย่างนี้พอเขากลับออกไปจากบ้านให้หนูพุทโธตอนที่ขณะเจ็บเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่ใ่อย่าไปคิดถึงเขาเลยให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวพอลืมเรื่องของเขาก็จะหายเจ็บ่ อย่างตอนนี้เจ็บไหมไม่เจ็บนะเพราะไม่ได้คิดถึงเขาเลยนไหมเออนั่นแหละที่มันเจ็บพ่อไปคิดถึงเขาอะคือเขามาในขณะนั้นเทำให้เราเสียหายอแล้วเรายังไปคิดถึงเขาอยู่มันผ่านไปแล้วแต่เรายังไม่ยังไม่หยุดคิดมันก็เรา ย, ยังเจ็บอยู่ตอนนี้ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ไม่เจ็บแล้วเจ้าค่ะอ แต่ปัญหามันมันมันมีแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละครั้งต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้พอเวลาเจอก็เจ็บตอนนั้นก็ให้ใช้พุทโธนัเวลานั้นเลยเใช่ไหมเจ้าคะใช่มันยาหม่องมันยาห ม, <า>ม่องพอมาในฝันกัดต่อยก็ทายาหม่องไว้เลยค่ะสาธุค่ะ อ, อครับคําถามต่อไปเป็นคําถามจากผู้ฝากถามบนเขานะครับจากคุณนัทพรนะครับ การที่เราเป็นเจ้าภาพกระถินอ น, นิสง์มากจริงหรือไม่เจ้าคะมากไม่มากอยู่ที่ว่าใครจ่ายเงินมากกว่าเป็นเจ้าภาพแต่จ่ายน้อยกับคนที่ไม่เป็นเจ้าภาพ <c annya> คนที่จ่ายเงินมากกว่านั่นละได้บุญมากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่ว่าจ่ายมากหรือจ่ายน้อยถ้าจ่ายมากก็จะได้บุญมากจ่ายน้อยก็ได้บุญน้อย ข้อที่สองลูกของเราเกเลยนำแต่ความเดือดร้อนมาให้หลวงพ่อมีทางชี้แนะไหมคะก็ส่งตำรวจเลยใิ่ไหมมันอยู่ในคุกสักพักหนึ่งมันจะได้เข็ดหลามอาพ่าแม่บางคนนี่ไปเรียกตำรวจมาเลยน ะ, ะมันมามั่วสุมกันที่บ้านห้าว่ามันยังไงมันข้ามมันก็ไม่เชื่อเลยไปจ้างตำรวจมาเลยบอกช่วยมาจับมันไปหน่อยนะ อั่น่ะต้องเอาเม็ดมาตรการเด็ดขาดนพวกเดินๆนี่มันต้องเอาเอาของหนักๆฟาดหัวมันมันถึงจะเข็ดถ้าเอาไม้เบาๆไปตีมันมันก็ไม่เข็ดมันไม่เจ็บข้อที่สามเวลาที่เรานั่งฟังธรรมเราสามารถกําหนดคําบริกรรมว่าฟังหนอฟังหนอได้ไหมคะไม่ได้หรอกไม่ควรถ้าเราฟังธรรมก็ฟังเสียงธรรมไปแทน ไม่ต้องฟังหนอฟังหนอถ้าจะฟังหนอฟังหนอก็ปิดไม่ต้องไปฟังเทศอลไนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็พุโทโธไปแล้วยุบหนอพองหนอไปแล้วอย่างนั้นได้อยู่ถ้ามันทำสองอย่างมันนชนกันฟังหนอฟังหนอแล้วเสียงก็เข้ามาเสียงธรรมก็เข้ามาด้วยมันก็จะชนกันแทนที่จะสงบมันก็จะไม่สงบยิ่นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะฟังธรรมก็เอาเสียงธรรมนีแทน ฟังนอฟังหนอถ้ายาวฟังหนอาาฟังหน อ, หนอก็ปิดเสียงทมไป yeah. คำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณประกอบนะครับการที่เรานั่งสมาธิกรรมฐานอันิสงของผลบุญนี้สามารถที่อุทิศให้กับผู้ที่ตนกนรกเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่จะหลุดพ้นขึ้นมาจากนรกได้ไหมครับไม่ได้แล้วคือบุญอุทิศนี้จะให้ได้กับบุคคลประเภทเดียวก็คือเปรต เปตนี้เป็นบุคคลที่ขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ไม่ชอบทําบุญชอบทําบาปด้วยความโลภพอตายไปก็เลยไม่มีบุญไปหล่อเลี้ยงจิตใจก็เลยเป็นขอทานเลยต้องมาอาศัยบุญของคนอื่นเขาให้อุทิศไปให้ส่วนบุญที่จะอุทิศให้ที่แน่นอนที่สุดก็คือบุญที่เกิดจากการทําทานอย่างที่พวกเรามาทํากันนี่พอทําปุ๊บมันก็ได้บุญทันที ส่วนบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่ถ้าจิตยังไม่สงบมันยังไม่ได้ผลมันเหมือนกับนั่งสมาธินี่เหมือนกับกำลังปลูกต้นไม้อยู่ปลูกต้นไม้ใหม่ๆนี่มันออกดอกออกผลให้เราได้อยัางเราต้องนั่งไปนานกว่าจิตจะสงบได้บางทีนั่งไปสิบปียังไม่สงบก็มีถ้าจิตไม่รวมนี้จิตก็ยังไม่สงบยังไม่ออกดอกออกผล นั่งไปพุโทโธพุธโทโธไปแล้วเดี๋ยวก็ลุกอย่างนี้ยังไม่ได้ผลจะได้ผลต้องจิตรวมเป็นอุเบกขาเป็นสมาธิก่อนถึงจะสามารถแบ่งบุญที่ได้จากสมาธิไปได้ดังนั้นเขาไม่นิยมที่จะอุทิศบุญด้วยการมานั่งสมาธิกันเพราะส่วนใหญ่จะไม่มีกันก็เลย อ, อุทิศบุญด้วยการไปทําบุญการทําทานเงินซื้อข้าวซื้อของไปถวายพระ พอถายเสร็จปั๊บบุญก็เกิดขึ้นในใจเราแล้ ว, ลวมีความอิ่มใจสุขใจแล้วก็แบ่งบุญนี้ไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับที่รอรับได้ถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็รับได้เขารอรับอยู่ก็รับไปแต่ถ้าเขาอยู่ในโลกก็เหมือนอยู่ในนรกก็เหมือนคนติดคุกเขาก็ไม่ให้ส่งของเข้าไปเขากลัวเดี๋ยวจะส่งยาเสพติดเข้าไปเขาก็จะไม่ให้เยี่ยมไม่ให้ส่งอะไรไปให้ ถ้าไปเป็นเดราชฉานก็ไปหากินเองได้ถ้าไปเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันเป็นเทวดาก็มีบุญเป็นเศรษฐีบุญก็ไปเที่ยวในสวรรค์กันพวกที่เรารับส่วนบุญนี้เรียกว่าเปรตพวกที่ไม่ไม่มีบุญติดตัวไปคำถามจากคุณเกียรติศักดิ์นะครับตอนภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธไปบริกรรมไปปั๊บหนึ่ง เดี๋ยวใจก็แวบไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวกลับมาบริกรรมใหม่สักพักก็แวบไปคิดอีกต้องทําอย่างนี้เรื่อยๆไปถูกแล้วใช่ไหมครับเคยได้ยินที่พระอาจารย์บอกว่ามันกําลังชักกะเยาะกันอยู่ เ, ออเพียงแต่ว่าไม่ทิ้งการภาวนานี้ให้ทําไปเรื่อยๆก็ต้องทําให้มากขึ้นคือก่อนจะมานั่งก็ต้องทําไว้ก่อนแล้วต้องพุทโธไว้ก่อนแลต้องบริกรรมไปก่อนเพื่อเราจะได้มีกําลังมากกว่า ถ้าเรามีกําลังสู้มันไม่ได้มันก็เหมือนกับชักไฟเยอร์อย่างเงี้ยถ้าเขามีคนมากกว่าเราก็สู้เขาไม่ได้งั้นเราต้องไปหาคนมาเป็นพวกเราให้มากๆขึ้นวิธีที่จะมีคนมาเป็นพวกเรามากมากขึ้นก็บริกรรมพุโทโธกันไปเรื่อยๆพอเตื่นขึ้นมาก็บริกรรมไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอเวลามานั่งสมาธิมันก็จะมีกําลังมาก มันก็จะไม่ถูกเขาดึงไปเราก็จะดึงให้ใจอยู่กับพุทโธพุทโธไปได้ถ้ามีพุทโธต่อเนื่องกัน5นาที10นาทีจิตก็เข้าสู่ความสงบได้คําถามจากคุณจีระพัฒนนะครับปกติผมก็มีความตั้งใจในการทําบุญทําทานเบิกบานดีแต่บางครั้งมีคนมาชวนทําบุญทําทานแต่จิตเราเกิดไม่อยากทําบุญในขณะนั้นแต่ก็รับปาก และร่วมทำบุญไปเพราะเห็นว่าเป็นกุศลแต่ใจกลับไม่เบิกบานผมควรวางจิตในการทำบุญทาทานขณะที่บางทีเราไม่อยากร่วมทำบุญทาทานนั้นๆอย่างไรก็ให้นึกถึงคุณประโยชน์ที่เกิดจากการได้ทำบุญกับการไม่ได้ทำบุญว่าอย่างไรดีกว่ากันการได้ทำบุญก็เหมือนกับการได้เอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารการไม่ได้ทาบุญก็เหมือนกับไม่ได้ฝากเงินไว้ในธนาคาร ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะมีใจที่อยากจะทำบุญทุกครั้งไปนอกจากถ้าเราไม่พร้อมจริงๆเงินไม่พอใช้อย่างนี้เราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เราไม่มีเงินทำบุญคำถามจากคุณสุรพลนะครับข้อที่หนึ่งมีวิธีอย่างไร ที่จะทำสมาธิท้านอนแล้วไม่หลับครับเพราะทำทีไรแล้วหลับทุกทีเดีย๋ยวว่าแต่ถ้านอนเลยท้านั่งยังหลับเลยเพ <c oughs> ้นเขาไม่ได้ยมนั่งสมานอนสมาธิกันเขาถึงเรียกว่านั่งสมาธิกันถ้านอนเ็าเรียกว่านอนสีหาสายาเป็นท่านอนของพระนอนตะแคงขวาจะได้นอนไม่นานถ้านอนหงายหงายหงายหน้าขึ้นมีมันจะนอนนานนา น, น, อ น, นอนแบบนอนแบบคนตาย ถ้านอนแบบตะแคงขวานี่ยนอนแบบราชจะสีข้อที่สองความเห็นชอบกับดําริชอบต่างกันอย่างไรครับเพราะฟังดูคล้ายกันก็ความเห็นก็คือว่าเห็นว่าไก่เป็นไก่นกเป็นนกอย่างนี้เรียกว่าความเห็นชอบความดําริชอบก็คือว่าเห็นไก่ก็อยากจะกินไก่ก็คิดว่าเดี๋ยวไปจับไก่มากินหน่อยนี่คือความดําริความคิดเนี่ย ความคิดกับความเห็นมันไม่ไม่เหมือนกันความเห็นก็คือว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าความเห็นส่วนความคิดก็คือความคิดจะทำนู่นทำนี่กับสิ่งที่เราเห็นเช่นเรามีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงทำบุญแล้วไปสวรรค์ทำบุญทำบาปแล้วไปอบายอันนี้คือความเห็น พอเราเห็นว่าบุญทําให้เราไปสวรรค์เราก็คิดว่าเราทําบุญดีกว่าเราอย่าไปทําบาปเลยอันนี้นี่คือความคิดความคิดที่ถูกต้องตามตามความเห็นที่ถูกต้องถ้าความเห็นผิดก็จะคิดผิดถ้าไปเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็จะคิดจะทำอะไรก็กทําได้คิดจะทําบาปก็ทําไปคิดจะทําบุญก็ทําไป เพราะรู้ว่าทําไปก็ไม่มีผลตายไปก็จบนี่อันนี้ก็เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดก็เลยทําให้มีความคิดผิดตามไปคำถามจากคุณสมศรีนะครับคนที่เป็นไม้โดยไม่ยุ่งกับใครเลยจะถือได้ว่ารักษาศีลข้ออภ a m ม, มและจริยาได้หรือไม่เจ้าคะได้ถ้าไม่ไปร่วมหลับนอนกับใครก็ถือว่าเป็นมีศีลข้อนี้อยู่ คำถามจากคุณเลมอนสวีทนะครับมีครั้งหนึ่งโยมนั่งรถไปกับเพื่อนเพื่อนและพระอาจารย์หนึ่งรูปเพื่อนนิมนต์ท่านไปทําบุญบ้านค่ะและเพื่อนคนนี้ได้เปิดเพลงในรถซึ่งมีพระอาจารย์ท่านนั่งอยู่อย่างนี้ถือว่าอาบัติไหมคะเพราะพระท่านก็ได้ยินได้ฟังไปด้วยและเป็นการเหมาะไหมคะที่เพื่อนเปิดเพลงในรถทั้งๆ ท, ท, ที่มีพระนั่งอยู่ไม่ควรเพราะรู้ว่าพระไม่ควรจะฟัง แต่พระไม่บาปพระถ้าพระไม่ไปสั่งให้เปิดถ้าพระสั่งให้เปิดนี่แสดงว่าอยากฟังตั้งใจฟังแต่ถ้าฟังเพราะว่าคนอื่นเ้าเปิดนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับพระพระบางทีเดินไปบินดาบาก็มีคนเมาเหล้าเปิดเพลงเต้นดิสโก้กันอยู่ข้างหน้าหน้าบ้านนี้ก็เรื่องของเขาในช่วงสงการนียมันจะมีการกินเหล้ากันร้องําทาเพลงกัน้แต่ เมือ่อคืนนี้เช้าเท้าตื่นเช้ า, ชามืดพระไปบินนาบาตมันยังไม่เลิกเล่นกันเลยอันนี้มันก็เป็นเรื่องของเขาส่วนเรื่องของพระก็ต้องสำรวมหูไว้ฟังแล้วอย่าไปยินดีฟังแล้วก็พยายามข่มใจไว้อย่าไปสนใจพุทโธพุทโธไปแล้วพอเดี๋ยวเดินผ่านไปมันก็หายไปคำถามจะคุณจีนะครับอารมณ์ปาติคะภายในจะมีวิธีแก้เบื้องต้นอย่างไรครับ ปฏิฆาตนี้แปลว่าความหงุดหงิดใจความหงุดหงิดใจมันก็เกิดจากความอยากอยากจะทําอะไรพอไม่ได้ทํามันก็หงุดหงิดใจอยากจะดื่มสุราพอไม่ได้ดื่มมันก็งหงุดหงิดอยากจะสูบบุหรี่พอไม่ได้สูบบุหรี่มันก็งหงุดหงิดอยากจะนอนกับแฟนไม่ได้นอนกับแฟนมันก็หงุดหงิดนีวิธีที่แกา้ที่วิธีที่ถูกต้องก็คือต้องหยุดความอยากเสียพุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงบุรีอย่าไปคิดถึงสุราอย่าไปคิดถึงแฟนพอไม่ไปคิดถึงเขาความอยากที่จะไปหาเขาไปนอนกับเขามันก็จะหายไปความหมงุดหงิดก็จะหายไปแต่ส่วนใหญ่เราแก้วิธีหงุดหงิดแบบไม่ถูกคือพอหงุดหงิดก็อยากจะสูบบุหรี่ก็เลยไปสูบบุหรี่พอพอสูบแล้วความหมงุดหงิดมันก็หายเหมือนกันแต่มันหายชั่วคราวเดี๋ยวพออยากใหม่ก็หงุดหงิดก็ตามมาใหม่ แต่ถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากบุหรี่อยากสุราอยากนอนกับใครเราก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดเวลาที่เราไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้นอนกับใครคําถามจากคุณจงซินีนะครับหยอดเงินใส่ตู้บริจาคสามารถอุทิศให้คนตายได้ไหมครับได้ก็เป็นบุญนั่งไงทําบุญไปแล้ว คำถามจากคุณจิรพัฒนนะครับให้คนยืมเงินไปแล้วทวงแล้วเขาไม่ยอมเอาเงินมาคืนเราก็เป็นทุกข์ควรวางใจอย่างไรดีครับคิดว่าเป็นการทําบุญไปก็แล้วกันแล้วก็จะเป็นสุขเพราะเวลาเราทําบุญเราก็เสียเงินเหมือนกันใช่ไหมแต่เราเสียพราเราคิดว่าเราทําบุญเราก็มีความสุขใจอย่างว่านญาติโยมมีความทุกข์ใจไหมเสียเงินเงินทุกคนเนี่ยไม่ทุกใช่ไหมมีสุขใช่ไหม เพยินดีจะเสียะแต่เมื่อเขามายืมเงินไปแล้วก็คิดว่าเป็นเงินทําบุญก็แล้วกันทุกครั้งที่คนมายืมเงินให้คิดได้สองแบบคิดว่าเป็นการทําบุญไปแล้วก็จะไม่ทุกข์เลือกคิดว่าเป็นการถูกต้นไปก็ได้ <laughs> จะได้สบายใจจะได้ไม่ได้หวังจะเอาคืนความหวังอยากจะได้คืนเนี่ทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราทุกข์ใจ แต่คิดว่าถูกปนก็ดีนะครับอาจารย์ก็ถือว่ามันงานๆๆ่ายๆ <c oughs> ใช้กรรมเก่าไปเราอาจจะไปเคยขมโมยเงินของคนอื่นเข้ามาตอนนี้ก็เลยมีคนมาขมโมยเงินเราไปคำ <c oughs> ถ, ถามจากคุณมันชุพาห ม, มุนชุพัทมุนชุพัทนะครับ หลายครั้งมีปัญหามักเกิดจากความไม่ได้มีเจตนาล้ายกับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเข้าใจในตัวดิฉันผิดเป็นคนไม่ดีบางทีก็ถูกมองว่าจะแย่งผู้ชายโดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้คิดเช่นนั้นดิฉันรู้สึกผิดมากมากที่คิดน้อยเครียดมากมากที่มองอที่ถูกมองเป็นคนไม่ดียิ่งพูดยิ่งดูเหมือนแก้ตัว ดิฉันจะแก้ไขอย่างไรดีคะให้ผู้อื่นเข้าใจดิฉันถูกไม่โกรธไม่เกลียดและกรรมอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆส่วนมากไปในทางผู้ชายคือปัญหาของเรานี้มีอยู่สองประเด็นด้วยกันปัญหาอันหนึ่งก็คือความอยากให้คนอื่นเขาคิดดีกับเราอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงนี้เราไปห้ามขาไม่ได้ ไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะคิดดีคิดร้ายนี่ก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องทําใจปล่อยวางเรื่องของคนอื่นไปแล้วเราจะสบายใจเขาคิดร้ายแล้วคิดดีก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาประเด็นที่สองที่เราไม่สบายใจก็เพราะว่าเราอยากเราอยากให้เขาคิดดีเราก็เลยไม่สบายใจเวลาเขาคิดไม่ดีแล้วก็ เราก็ต้องหยุดความอยากนี้อย่าไปอยากให้เขาคิดดีกับเราเขาจะคิดร้ายแล้วคิดดีก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แล้วอีกประการหนึ่งสิ่งที่เราคนจะมองก็คือความจริงในตัวเรานี้ว่าเราดีหรือไม่ดีถ้าเราดีต่อให้ใครเขาว่าเราไม่ดีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงของเราไปถ้าเราไม่ดีต่อให้เขาชมว่าเราดีอย่างไรเราก็ไม่ดีอย่างนั้น เั้นถ้าเราเราเรามองกล้ามองตัวเราเองมองความจริงของเราถ้าเราไม่ดีตามที่เขาพูดเราก็ต้องรีบแก้ไขเราควรจะขอบใจเขาเสียอีกว่าเขาเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้หน้าเราเปื้อนนะเปื้อนที่คิ้วเปื้อนที่แก้มมีรอยรอยด่างมาเช็ดเสียเขาก็เป็นเหมือนกระจกถ้าเขาบอกความจริงของเราว่าเราไม่ดีตรงนี้แล้วเรา รับคำที่เขาบอกเราไปแก้ไขต่อไปเราก็ดีเราแก้ไขความไม่ดีของเราไปนี้เราก็จะได้รับประโยชน์จากการตาหนิของผู้อื่นแล้วเราก็จะมีความสุขใจแทนที่เราจะทุกข์เรากลับจะยินดีเวลาใครตาหนิเราเราก็เอามาดูว่าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าเราไม่ดีตามที่เขาพูดเราก็ควรจะแก้ไข ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเราก็ยังเป็นเราก็ยังดีอยู่อย่างคนเข้ามาเรียกเราควายอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเรามีเขาเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่มีเขาเราก็มีแค่สองขาเราจะเป็นเป็นควายได้ยังไงเราจะไปตื่นเต้นไปตกใจไปเดือดร้อนโมโหทำไมใช่ไหมเขาพูดของโกหกเพียงแต่หลอกเราแค่นี้ก็ทาให้เราเต้นขึ้นมาแล้ว นี่คือสิ่งที่เราจะต้องอทําความเข้าใจหนึ่งคนหนึ่งก็จะพูดอย่างไรเราห้ามเขาไม่ได้สองความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราให้เขาพูดในสิ่งที่เราอยากฟังพอเขาพูดในสิ่งที่เราไม่อยากฟังเราก็ทุกข์สเราไม่มองตัวเราเองเราไม่ดูความจริงของเราเองว่าเราเป็นอะไรเนี่ยสามประเด็นนี้ถ้าเราเอามาใช้รับรองได้ว่าเราจะไม่เดือดร้อนกับคํา จนเรเสรินนินทาของคนอื่นคกายนินทาเรากลับจะชอบเสเองเพราะเป็นเหมือนกระจกสองหน้าสองเงาให้เราเห็นความจริงของเราบางทีเราเข้าข้างตัวเราเองกรณนี้มักจะเข้าข้างตัวเราเองท่านบอกว่าความดีของเรานี้ถึงแม้จะเท่าผงทุลีแล้วก็จะเห็นเท่ากองภูเขาส่วนความชั่วของเรานี้แม้จะเท่ากองภูเขาก็เห็นเหมือนเป็นผงทุรีไปะ ในทางตรงกันข้ามเวลาความดีของคนอื่นนี้แม้จะเท่ากองภูเขาก็เห็นเป็นผงทุลีส่วนความชั่วของคนอื่นแม้จะเป็นแค่ผงทุรีก็มองเห็นเป็นเท่ากับกองภูเขานี่คืออคติที่มีอยู่ในใจเราความไม่เที่ยงธรรมของใจเราเรานอกจะมองเข้าข้างตัวเองแล้วเราบางทีต้องอาศัยคนอื่นให้เขามาบอกเราเพราะคนอื่นเขาจะบอกตามความเป็นจริงคำถามจะคุณมะลินะครับ มะม่วงของคนข้างบ้านหล่นเข้ามาในบ้านเราถ้าหยิบมาทานถือว่าเราขโมยผิดศีลไหมคะก็ของเขาอ่ะก็ขออนุญาตเขาก่อนสิว่ามะม่วงของคุณหล่นมาในบ้านผมขออนุญาตนะเออถ้าเขาไม่อนุญาตก็โยนกลับคืนไปให้เขาเก็บให้เขาไปได้ได้บุญได้ช่วยเขาเก็บมะม่วงให้เขาถ้าให้เขาไปบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็มีน้ําใจให้เราเองแหละอ๋อ แต่ถ้าเกิดตกอยู่แล้วไม่มีของใครไม่รู้ว่าของข้างบ้านก็หยิบได้ใช่ ม, ม, มั้ไหมถ้าไปเดินไปในป่าเงี่ยแล้วมีมะม่วงปา่ามันผลไม้ปา่ามันหล่นลงมาเนี่ยเราหยิบไปได้เพราะมันไม่มีเจ้าของนะแต่ในที่บ้านของเขาเขาปลูกมา <laughs> ที่แล้มันใหญ่มันก็มันก็ย้อยเข้ามาอยู่บ้านของเราเนี่ยเวลาหล่นมันก็ยังมันก็ยังเป็นของเขาอยู่จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับ การระลึกถึงบุญที่ทำไปแล้วอยู่เสมอๆแล้วรู้สึกอิ่มใจทุกครั้งที่นึกถึงอันนี้ถือเป็นดอกเบี้ยของบุญใหม่ครัะก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญไงเป็นอ น, นิสงค์ของบุญที่เราทำมันไม่จางหายไปง่ายๆเหมือนกับไปเที่ยวไปซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อมาปั๊บแล้วก็หายไปละความสุขเหลือแต่ความอยากเหลือแต่ความทุกขอยากจะซื้อใหม่ แต่ถ้าทำบุญแล้วคิดถึงบุญที่เราทำมันก็จะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจเหมือนตอนที่เราได้ทำคำถามชกุลอั น, นิจังนะครับการนั่งสมาธิเวลานั่งนั้นลูกหายใจลึกยาวๆแล้วมีความรู้สึกดิ่งนิ่งลมหายใจละเอียดแทบจับไม่ได้นั่นแสดงว่าลูกกำลังเข้าสู่ฌานใช่หรือไม่ก็จิตละเอียดเมื่อถ้าไหลลมก็จะละเอียดตาม จิตก็เริ่มมีความสงบมากขึ้นลมก็จะสงบตามาก็ให้รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปปรุงแต่งว่าตอนนี้จิตเรานิ่งแล้วจิตเราละเอียดแล้วพอคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยาบขึ้นมาอให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าจิตละเอียดนมละเอียดนียให้รู้ไปอย่าคิดปรุงแตง่งถ้าคิดปรุงแตง่งเมื่อไหร่จิตจมันจะมันจะหยาบกลับขึ้นขึ้นมาเพราะความคิดปรุงแต่งนี้จะทําทให้ใจห ย, ยาบ ถ้าความคิดปรุงแต่งลดเบาลงใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเยหมือนเสียงที่เราตีตีระฆังนี้ถ้าเราตีเสียงดังๆมันก็เสียงมันก็ดังพอเราตีค่อยเข้ามันก็เสียงมันก็เบาลงไปเบาลงไปเรื่อยๆความคิดของเราก็เป็นเหมือนกับการตีระฆังในใจเราถ้าเราคิดมากก็เหมือนกับตีระฆังมากถ้าเราตีระฆังน้อยคิดน้อยเราก็เหมือนกับตีระฆังน้อยแล้วตีมันเบาลงไปเรื่อยๆพอเราไม่คิดเลยมันก็เนิ่งสงบ เงียบสบายมีความสุขคะคำถามจากคุณชาลิดานะครับตอนนี้ใจโยมเกิดอาการเบื่อหน่ายการงานทางโลกและอยากหันหน้าไปสู่การบวชเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมเนื่องจากเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องทำงานทำการทางโลกก็มีชีวิตอยู่ได้หากอาการทางใจของโยมเป็นเช่นนี้ถือว่าโยมกำลังหนีปัญหาและไม่เผชิญกับปัญหาทางโลก ที่เราประสบอยู่หรือไม่เจ้าคะก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าถ้าเรามีปัญหาเราก็ควรจะแก้ปัญหาให้มันเรียบร้อยไปก่อนแล้วเราค่อยไปถ้าเราทิ้งปัญหาเราไปมันอาจจะคาใจเราอยู่ไปแล้วอาจจะทำให้เราเออไม่สบายใจได้ ยันถ้าเป็นปัญหาอะไรที่เราต้องแก้ไขต้องทำให้มันหมดไปล้วก็ควรจะทำให้มันหมดก่อนเช่นเป็นหนี้เป็นสินเขาแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายไอ้ที่เวลารวยไม่ไมเบือ่อพอเวลาจนเวลาเป็นหนี้ก็เบื่ออังนี้มันก็เป็นเบื่อแบบกิเลสเนีย่ยอันนี้ไม่ใช่เบือบบเบ่อแบบทำนะถ้าเบื่อแบบทมต้องเบื่อตอนรวย ว่ามีเงินเยอะแยะใช้ไปก็ไม่มีความสุขยกให้คนอื่นดีกว่ามีความสุขกว่าถ้าคิดอย่างนี้เบื่อแบบนี้ได้อยูอแต่เบื่อเพราะเบื่อนี่เบื่อแฟนเบื่อลูกนี่อันนี้มั น, ม, นมันเป็นกิเลสละมันไม่ได้เป็นธรรม คำถามจะคุณดาดานะครับหากนั่งสมาธิต้องมีพระอาจารย์ดูฝึกกํากับไหมคะเอ่าไม่ต้องหรอกมีสติอาจจะสติของอาจารย์มากํากับดูเราไม่ได้ดูใจของเราไม่ได้เราต้องกำกับใจของเราเองด้วยสติเวลานั่งสมาธิควรจะนั่งคนเดียวจะได้ไม่มีใครมารบกวนสติของเราถ้าอยู่นั่งใกล้ๆกันเดี๋ยวก็กังวลให้เขาดูเรารึเปล่าเขาทําอะไรรึเปล่าเขาขยับนู่นขยับนี่ก็จะมาทำรบกวนใจเราใจก็จะไม่สงบง่าย เวลานั่งสมาธิจริงๆคนจะนั่งคนเดียวแตในเบื้องต้นถ้าเรานั่งไม่เป็นก็ไปนั่งจับกลุ่มกันก่อนให้มีอาจารย์แนะวิธีการว่านั่งอย่างไรเวลานั่งให้มีใจนิ่งสงบอย่างไรมีสติอย่างไรนี้แต่พอเรารู้วิธีนั่งแล้วต่อไปเราก็นั่งที่บ้านก็ได้นั่งอยู่ในห้องของเราคนเดียวจะดีกว่าพระอาจารย์ครับทําไมการนั่งสมาธิบางคนที่ไปอยู่ตามสถานปฏิบัติธรรมเขาจะบอกว่า เวลานั่งรวมรวมกันเนี่ยแล้วมันเหมือนแบบว่ามันเป็นการทําใหญ่แล้วรู้สึกนั่งได้ดีอะไรเงี้ยครับอาจารย์เพราะใจของเขายังไม่มีกําลังในตัวเองไม่มีกําลังที่จะบังคับตัวเขาเองเขาก็เลยต้องอาศัยคนอื่นบังคับว่าทุกคนถูกบังคับให้นั่งทุกคนก็เลยต้องพยายามนั่งให้ได้เพราะถ้าไปลุกก็สแสดงว่าเสียหน้านก็ต้องทนนั่งต่อไปแต่ถ้านั่งคนเดียวไม่มีใครรู้เดี๋ยวนั่งปุ๊บอยากจะลุกกระลุกเลย แต่ถ้าคนที่มีวินัยมีสติควบคุมใจแล้วก็ไม่ต้องมีคนอื่นมาคอยควบคุมเราควบคุมใจของเราเองด้วยพุโทโธพุโทโธด้วยสติไปคำถามจะคุณสัททานนะครับผู้ที่ฉลาดแต่ไม่มีศรัทธาคือมีทิฏฐิมานะในความคิดของตนเองจนเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิจะสอนผู้นี้อย่างไรให้กลับมามีศรัทธาและมีสัมมาทิฏฐิ ก็สอนไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่มีศรัทธาที่จะศึกษาก็ต้องปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขาจะสอนเขาได้ก็ต่อเมื่อเขามีศรัทธาเขายินดีที่จะฟังคาสอนข้อที่สองการฟังธรรมจะเกิดเป็นสมาธิได้ถึงขั้นใดครับการฟังธรรมขณะจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิจะดีที่สุดใช่ไหมครับ การฟังธรรมนี้มันจะดีที่สุดก็คือการบรรลุธรรมฟังธรรมนี้เราจะได้ปัญญาที่สูงกว่าสมาธิสามารถบรรลุเป็นโสดาบันสกิดาคามียอน า, าคามียและอาหารหันได้เลยถ้าผู้แสดงธรรมเป็นผู้ที่มีธรรมแท้และผู้ที่ฟังธรรมนี้มีสมาธิอยู่แล้วเช่นในสมัยพุทธกาลเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับพวกนักบวชทั้งหลายเขามีศีลมีสมาธิกันแล้ว พอแสดงเรื่องของปัญญาเรื่องอริยสัจ ส, สีเรื่องของใจรักเขาก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ขั้นต่างๆได้ทันทีแต่ถ้ายังยังไม่มีบยายังไม่มีสมาธิถ้าเรานั่งฟังไปเราก็จะได้ความสงบจะสงบมากน้อยก็อยู่ที่สติของเราอยู่ที่การฟังของเราถ้าเราฟังอย่างต่อเนื่องใจไม่ว่าไปคิดเรื่องอื่นๆนี่มันก็จะสงบได้มาก ถ้าไปวัดไปวับมามันก็จะสงบได้น้อยพระอาจารย์ครับการทำบุญสมมุติว่าวันนี้เราทำบุญร้อยบาทเนี่ยเราก็ได้ร0อยเปอร์เซ็นในวันนี้แต่ถ้าพรุ่งนี้เรามาระลึกถึงวันนี้อีกครั้งหนึ่งแต่เราสามารถระลึกได้สักแปดสิบเปอร์เซ็นของความสุขของวันนี้แสดงว่าเราก็ได้แปดสิเอร์ซน์ใช่ไหมครับอาจารา์ซ้ำเข้าไปอี ก็เหมือนอาหารเก่ามาอุ่นมามากินใหม่บุญนนี้เอามาอุ่นใหม่กินใหม่ได้ไม่เหมือนกับการไปเที่ยวเที่ยวหมดแล้วก็เอามาอุ่นไม่ได้นะคิดถึงการไปเที่ยวที่ไรก็หิวขึ้นมาทันทีอยากจะไปทันทีดังนั้นการทําบุญนี่การรักษาใจนี่สําคัญมากใช่ไหมครับถ้าจะได้บุญเยอะๆก็ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะสําคัญเท่ากับใจเพราะไม่มีอะไรจะ จะอยู่แบบไม่ไ ม, ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดมีใจเท่านั้นที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดอะเรียนท่าอาจารย์ค่ะ เ, ออเมื่อหลายสิปีมาแล้วค่ะลูกเคยได้เห็นข้อความที่ติดมีมีคนเขียนติดไว้ที่ต้นไม้ในวัดอะค่ะว่าเพียงแค่ฟังทำหนึ่งครั้งอย่างนี้ก็ได้บุญแล้ว เ, ออเพื่อนที่เดินไปด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่า ไม่จริงแต่ว่าลูกก็เถียงเพราะว่าลูกเห็นด้วยกับคนที่เขียนเพราะว่าลูกคิดว่ามันพอเราฟังคำแล้วเราเราได้เกิดวิธีการที่เราจะสร้างศีลปัญญาสมาธิอย่างนี้ลูกคิดถูกไหมคะมันอยู่ที่คนฟังว่าฟังแบบไหนถ้าฟังแบบทัพพีในหะม้อแกงมันก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นฟังแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าฟังอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ แต่ถ้าฟังด้วยความตั้งใจฟังแบบลิ้นกับแกงเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ยันมันอยู่ที่คนฟังที่เขาเขียนนี้เขาหมายถึงคนที่ฟังแบบลิ้นกับแกงไม่ได้ที่คนฟังแบบทับที่ในหม้อแกงคนที่ฟังแบบทับที่ในหม้อแกงก็คือหูก็ฟังไปใจก็คิดถึงไปเที่ยวที่นั่นดีไปหาเพื่อนไปทํำนู่นทํานี่เนี่ยพอฟังเทศจบ ก, ก็ไม่รู้ว่าเทศอะไรเลยฟังไม่รู้เรื่อง อย่างนี้ก็ไม่ได้รับประโยชน์เลยแต่ถ้าฟังแล้วติดตามทุกคําพูดว่ากําลังพูดอะไรอยู่ว่ากําลังบอกให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลให้นั่งสมาธิให้ปัญญายเี้พอฟังแล้วเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาที่เราไม่รู้มาก่อนถ้าฟังแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์คําถามจากคุณวีนัสนะครับ การภาวนาจะใช้พุทโธหรือดูลมควรทดลองว่าแบบไหนเหมาะกับตัวเองสังเกตอย่างไรเช้าคะก็ไหนได้ผลดีก็เออานนั้นอันไหนรับสบายเราก็เอานนั้นเหมือนกินอาหารล้วก็เลือกกินอาหารที่เราชอบใช่ไแต่กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันจะกินข้าวผัดหรือจะกินก๋วยเตี๋ยวผัดกินอะไรพอกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันแต่ทาไมเราเลือกกินกัน เพราะว่าเรามันถูกกับเรามันถูกใจเราเของบางอย่างไม่ถูกใจเรากินแล้วมันไม่มันอึดอัดมันรู้สึกอ่ามันไม่สุขอ่มันก็ไม่อยากจะกินดะงนั้นการภาวนาก็เหมือนกันบางคนไม่ชอบบริกรรมให้บริกรรมมันก็เหนื่อยบางคนชอบดูลมไม่ต้องบริกรรมดูลมแล้วสบายแต่บางคนบริกรรมแล้วใจมันไม่นิ่งมันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็เลยต้องมาบริกรรมเพราะบริกรรมนี้มันจะช่วยหยุดความคิดได้ง่ายกว่าฉะนั้นก็อยู่ที่จิตใจของแต่ละคนว่ามันเป็นลักษณะไหนก็เลือกเอากรรมฐานลักษณะนั้นที่เหมาะกับใจของตนกรรมฐานมีอยู่สี่สิบกรรมฐานด้วยกันสี่สิบวิธีที่จะทำใจให้สงบได้แต่ที่เราพูดกันนี้สำหรับคนทั่วๆไปก็มีอยู่สองแบบนี้ดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุโทโธพุโทโธ แต่ถ้าต้องการใช้อย่างอื่นก็ได้เช่นบางคนนี่มีการอารมณ์จัดนั่งแล้วชอบคิดถึงแฟนคิดถึงเรื่องของอารมณ์ก็ต้องใช้อสุภะแทนต้องคิดถึงซากศพคิดถึงเอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเช่นผมขนเล็บวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดเนี่ยให้คิดถึงเรื่องอาการเหล่านี้ ความฟุ้งซ่านกับเรื่องของการอารมณ์มันก็จะสงบตัวได้หรือว่าเวลาโกรธนังแล้วพุโทโธก็ไม่อยู่ดูลมไม่อยู่ยังโกรธคนนั้นอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องใช้แผ่เมตตาอาภัยเขาเสียอย่าไปถือโทษโกรธเกินกันเลยจองเวรจองกรรมกันนี้มันไม่ดีมันจะทําให้ติดตามกันเป็นเวรเป็นกรรมข้ามภพข้ามชาติกันไปให้อาภัยเสีย ยอมแพ้ยอมหยุดแล้วก็จะเย็นเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาแล้วเขาทำไปแล้วเขาด่าเราเขาก็ด่าเสร็จแล้วเราก็ลืมมันไปเสียทำอะไรไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันให้อภัยมันไปมันก็จะสงบตัวได้ถ้าจะคิดแก้แค้นล้างแค้นมันก็จะนั่งสมาธิไม่ได้คำถามจากคุณเล็กนิตยานะครับ ที่พระอาจารย์ตอบว่าคนที่ทําบุญด้วยเงินมากกว่าได้บุญมากกว่าแบบนี้คนจนที่ไม่มีเงินก็ได้บุญน้อยกว่าคนรวยเหรอคะไม่คือคนในคนคนเดียวกันไงคนเดียวคนเนี้ยอย่างเราเนี่ยทําบุญสิบบาทก็ทําบุญร้อยบาทอย่างไหนจะดีกว่ากันจะสุขมากกว่ากันทําบุญสิบาทกับทาบุญร้อยบาทเราจะรู้สึกยังไงทําบุญร้อยบาทก็จะรู้สึกสุขมากกว่าทําบุญสิบาทใช่ไหม พอมันสะเทือนกิเลสเรามากขึ้นไงฆ่ากิเลสได้มากขึ้นถ้าทําบุญพันบาทนี้ก็ยิ่งฆ่ากิเลสได้ยิ่งมากกิเลสก็คือความโหงเงินนี่ถ้าเราทําบุญได้มากก็แสดงว่าเราฆ่ากิเลสของเราได้มากพอกิเลสของเราตายมากความสุขก็จะเกิดมากขึ้นมาความตันนีไงคือความก็คือกิเลสนี่เราพูดเฉพาะในในตัวของคนคนเดียวกันถ้าตัวเองทํามากก็จะได้บุญมาก แต่ถ้าเราพูดถึงคนสองคนนี้เราต้องดูว่าคนแต่ละคนมีกำลังเท่ามากน้อยมันต่างกันคนมีเงินล้านกับคนมีเงินแสนนี่ทาเงินทาบุญเงินเท่ากันนี้จะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันคนมีเงินล้านถ้าทาแสนหนึ่งนี่เขาจะรู้สึกมีความสุขในอย่างหนึ่งแต่คนทำแสนหนึ่งถ้าทำแสนเขาจะมีความสุขมากกับคนที่มีเงินล้านเสียอีกเพราะเขาทำหมดเลยหมดหน้าตักเลย มีแสนก็ทําหมดเลยไปบวชได้เล ย, ยนี่งั้นมันอยู่เราถ้าถ้าอย่างนี้เราต้องดูสัดส่วนของเงินที่เขาไปทําบุญกับเงินที่เขามีอยู่ถ้าเขาทาร้อยละสิบถ้าสองคนทําร้อยละสิบก็จะได้บุญเท่ากันคือคนที่มีล้านทําร้อยละสิบก็ทําไปแสนหนึ่งคนที่มีแสนหนึ่งทำร้อยละสิบก็ทําไปหมื่นหนึ่ง คนที่ทำหมือนกับทำแสนนี้สองคนจะมีความรู้สึกเหมือนกันมีความรู้สึกคือความสุขใจเหมือนกันแต่อันนี้สงของเงินที่เราทำที่เราจะได้กลับมาก็ไม่เหมือนกันอีกจะน่ากลับมาคนที่ทำแสนก็ต้องได้มากกว่าคนที่ทำหมื่นเหมือนกับลองเงินไปฝากธนาคารฝากหมื่นกับฝากแสนเวลาไปเบิกมันจะเบิกเท่ากันได้อย่างไรใช่ไหะ มันต้องดูหลายหลหลายมิติด้วยกันหลายมุมมองด้วยกันหมายความว่าผู้ที่ทําบุญมากกว่าชาติหน้าก็จะมารับมากกว่าแต่เพียงแค่ว่าผู้ที่ทําน้อยกว่าแต่ว่าในปริมาณสัดส่วนถ้ามากกว่าเนี่ยเขาจะกลับมาเขาก็จะมีความสุขมากกว่าคนที่ทํามากกว่าใช่ถ้าเขาทาสัดส่วนมากกว่าถ้าคนมีแสนทํำสองหมื่นเนี่ยเอาคนที่มีล้านทำหนึ่งแสนเนี่ยความรู้สึกของคนที่ทำสองหมื Guo, ่นกลับม MM ีความสุขมากกว่าคนที่ทำหน <MI EN> so, ึ่งแสน เพราะเขาเสียมากกว่าตามสัดส่วนของเงินทรัพย์สินที่เขามีอยู่แต่เวลาเขากลับมาเกิดใหม่เนี่ยเขาก็ยังได้น้อยกว่าคนที่ทําแสนหนึ่งคนที่ทําแสนก็จะได้แสนบวกดอกเบี้ยคนที่ทำสองหมืนก็จะได้สองหมืนบวกบวกดอกเบี้ยมันก็จะไม่เท่ากันงั น, น ม, มันมีหลายมิติด้วยกันนะครับ คำถามสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณสุริโยมีความสงสัยนะครับว่าที่พระอาจารย์บอกว่าทำบุญกระถิ่นด้วยเงินมากได้บุญมากเงินน้อยได้บุญน้อยขอความการุณาอธิบายเพิ่มหน่อยครับคือผมคิดว่ามันอยู่ที่ความตั้งใจมากกว่าก็นั่นแหละก็อยู่ที่สาส่วนของเงินทองที่เรามีเยอะไหมอ่าอ่าเข้าใจไหมอ่า แต่ถ้าเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยอทำแสนกับทำล้านเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันะมันก็ทำล้านมันต้องดีกว่าทำแสนใช่ไหมถ้าเราเป็นคนคนเดียวกันทำเนี่ยถ้าเราทำแสนหนึ่งความรู้สึกมันก็จะแบบหนึ่งทำล้านหนึ่งมันจะรู้สึกว่ามันมันมันนักขึ้นมันอิ่มขึ้นเนี่ยมันมากขึ้นเพ้นบุญมันถึงหยุดมันมี ท่านจะจะพูดแบบทั่วๆไปก็พูดแบบเนี้ทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเจ้าภาพหรือไม่เป็นเจ้าภาพที่เมื่อกี้ถามมันถามในลักษณะนั้นว่าเป็นเจ้าภาพก็ไม่เป็นเจ้าภาพนี้จะได้บุญมากน้อยต่างกันอย่างไรแล้วก็บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพหรือไม่เป็นเจ้าภาพอยู่ที่ว่าเราทํามากหรือทําน้อยคนที่เป็นเจ้าภาพถ้าทาน้อยกับคนที่ไม่เป็นเจ้าภาพคนที่ไม่เป็นเจ้าภาพก็ได้บุญมากกว่า